มาฟังเทศฟังธรรมอันเป็นคำสอนที่ประเสริฐของพอระมรลมัาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีความรู้เฉลียวฉลาดที่สามารถยกตนให้ได้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลาย ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความรู้ของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่สาคัญยิ่งกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เพราะความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไร ไม่รอดจากความทุกข์ใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจความรู้ทางโลกไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามถึงระดับปริญญาเอกก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้มีความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถ ดับความทุกข์ภายในใจของสัตว์โลกได้ถ้าเราอยากที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องศึกษาความรู้ของพระพุทธศาสดาผู้ใดศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ผู้นั้น ก็จะอยู่เหนือความทุกข์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้อยู่เหนือความทุกข์มาหลังจากที่ได้ศึกษาได้รู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเราเป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาเวลาที่เรามาวัดเราจนควร มุ่งไปที่การศึกษาเป็นหลักเพราะถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้เราจะไม่รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจ ปาศจากความเสื่อมเสียทั้งหลายความรู้ในทางพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้พวกศรัทธาญาติโยมเรียนรู้กันอยู่7็ดข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สามให้รู้ตนข้อที่สี่ ให้รู้บุคคลข้อที่หให้รู้สังคมข้อที่6ให้รู้การละเทศและข้อที่7ให้รู้ประมาณคือความพอดีนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาจะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุดปราศนา ปาสจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆควรจะศึกษาทำความเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติได้แล้วรับรองได้ว่าเรื่องของความทุกข์ความวุ่นวายใจเรื่องของความเสื่อมเสียต่างๆจะไม่เกิดขึ้นข้อที่หนึ่งคือเหตุให้รู้เหตุ ข้อที่สองให้รู้ผลเหตุกับผลนี้เป็นของคู่กันก่อนจะมีผลได้ต้องมีเหตุก่อนอเหตุของพวกเราคืออะไระก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นมาก็ทําให้เกิดผล คือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสื่อมเสียอยู่ที่เหตุ mm hmm. พวกเราทุกคนอยากจะมีเหตุอยากจะได้ผลที่ดี mm hmm. ก็คืออยากจะได้ความสุขความเจริญไม่ต้องการความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ต้องการความเสื่อมเสียต่างๆถ้าเรา ไม่ต้องการผลที่ไม่ดีเราก็ต้องละเหตุที่ไม่ดีเพราะเหตุที่ไม่ดีเป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลที่ไม่ดีผลที่ดีก็เกิดจากเหตุที่ดีเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกผ ล, ลไม้ถ้าเราต้องการผลส้มเราก็ต้องปลูกต้นส้มเราถึงจะได้ ผลส้มออกมาถ้าเราต้องการผลกล้วยเราก็ต้องปลูกต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยก็จะออกผลคือกล้วยออกมานี่คือหลักของเหตุผลชีวิตของเรานี่ตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลความสุขความเจริญของพวกเราความทุกข์ความเสือดเสียของพวกเรานี้เป็นผลที่เกิดจาก เหตุคือการกระทําของพวกเราการกระทําของพวกเราก็มีอยู่สทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือการคิดทางวาจาก็คือการพูดทางกายก็คือการกระทําต่างๆการกระทํานี้ก็มีอยู่สมทางด้วยกันทําดีเรียกว่าบุญทําบา ทำไม่ดีเรียกว่าบาปทำกลางกลาไม่ดีไม่บาปไม่ชั่วก็เรียกว่าเป็นกลางกลางไม่มีผลทำดีผลก็จะได้ผลดีทำไม่ดีก็จะได้ผลไม่ดีเช่นอะไรคือการทำไม่ดีที่จะทําให้เกิดผลไม่ดีก็คือการเสกอบายมุกต่างๆ เล่นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้านนี่คือการกระทำที่ไม่ดีทำไปแล้วก็จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาแล้วก็จะนำพาไปสู่การกระทำที่ไม่ดีที่ร้ายแรงกว่า คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการเสพสรายาเมลการกระทำเหล่านี้ทำไปแล้วจะมีผลไม่ดีผลที่เกิดขึ้นทันตาเห็นก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจส่วนผลที่เรามองไม่เห็นกันหรือเราไม่สามารถเชื่อมเหตุกับผล ได้ก็คือเวลาไปเกิดในอบายเช่นเวลาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราไม่รู้ว่าทาไมถึงต้องมีเดรัจฉานทำไมไม่มีมนุษย์เพียงอย่างเดียวก็เพราะว่ามีการกระทาต่างกันผู้ที่เป็นมนุษย์นี้เป็นผู้ที่ไม่ไม่ได้ทำบาปถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำบา ก็ต้องไปเกิดเป็นเดนลฉานนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่เห็นผู้ที่จะไปเกิดผู้ที่ไปเกิดนี้ไม่ใช่ร่างกายของพวกเราแต่ใจผู้ที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี่แหละเป็นผู้รับผลของบาปที่ตนทำผ่านทางร่างกายถ้า ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเวลาร่างกายนี้ตายไปผู้กระทาคือใจก็จำเป็นจะต้องไปรับผลของบาปไปเกิดในอบายที่มีอยู่สีแห่งด้วยกันคือเดชานเปรต อสุรกาและนรกนี่คือผลที่เกิดจากการทําไม่ดีถ้าเราไม่ต้องการผลเราก็อย่าไปทําไม่ดีเท่านั้นเองอย่าไปเสพอบายามุขเช่นสุรายาเมาการผัดนนเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดคร้านถ้าเราไม่เสพเราก็จะไม่ต้องไปทําบา ไม่ต้องไปค่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงอพอเราไม่ทําเหตุที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าทําดีก็จะได้ผลที่ดีตามมาทาดี เช่นอย่างวันนี้ญาติโย่มาทำความดีกันคือการให้เรียกว่าทานการให้นี่เรียกว่าทานเป็นการกระทำความดีเพราะทำให้ผู้อื่นมีความสุขและผู้ให้ก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่ผลเห็นทันตาทำบุญแล้วมีความสุขใจตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดา ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะว่าทำเหตุที่ดีและไม่กระทำเหตุที่ไม่ดีคือไม่ทำบาปทำแต่ดุลผลก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดานี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ชีวิตของพวกเรานี้ไม่ใช่ พรมลิขิตไม่มีใครลิขิตชีวิตของเราชะตาชีวิตของเราอยู่ในกรรมมือของพวกเราเองอยู่ในอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างชะตาต่างๆให้กับตนด้วยการกระทำดีหรือไม่ดีหรือกลางถ้าทำดีทำบุญก็จะได้ผลดี ทำบาป ก, ก็จะได้ผลไม่ดีทำการกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ก, ก็จะไม่ได้ผลอะไรการกระทำการกลางก็คืออะไรก็คือการกระทำที่เราทำให้กับตัวเราเองเช่น mm hmm. เราออกกำลังกายรับประทานอาหาร mm hmm. ไปซื้อกับข้าวกับปลาของข่าวของหวานไปทำงานทำการอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำ กลารไม่ใช่เป็นการกระทำบุญหรือการกระทำบาป ก, การกระทำบุญก็ต้องทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นซื้อของไปให้คนอื่นหรือช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแล้วก็จะได้ผลได้บุญได้สวรรค์ ถ้าทำบาปก็คือไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นไปทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำบาปเช่นการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติขืโออนโดเนิโกหกหลอกลวงการกระทำอย่างนี้เรียกว่าบาปบาปแล้วทำไปแล้วก็จะมีผลกลับคืนมาคือต้องไปเกิดในาบา ถ้าไม่ทำบุญไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปอาบายัยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือการกระทำเหตุสาประการด้วยกันบุญบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปชีวิตของเราส่วนใหญ่เราก็มักจะทำไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปกันเช่นเราไปทำงานทำการไปหาอาหาร หาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองของเราเออกกำลังการอะไรต่างๆเหล่านี้หาความสุขเพื่อตัวเราเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปการกระทําบุญก็อย่างที่วันนี้ญาติโยงเอากับข้าวกับปลาอาหารเงินทองมาถวายวัดเรียกว่าทาบุญถ้าไปกินเหล้า ไปเล่นการพนันไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเวณีไปลักทรัพย์อย่างนี้ก็เรียกว่าไปทำบาปผลจึงมีต่างกันสัตว์โลกในโลกในโลกนี้จึงมีหลายหลากหลายมีทั้งมนุษย์มีทั้งเดรัจฉานมีทั้งส่วนที่เรามอไม่เห็นกัน ก็พวกเทวดาอินพรหมพวกเปรตพวกสัตวน์นรกเพราะพวกนี้เป็นกายที่ไม่มีร่างกายเหมือนกับมนุษย์หรือเดรัจฉานแต่เขามีมีผลที่เขาจะต้องรับการที่เขาเป็นอะไรต่างๆนี่ก็เกิดจากเหตุคือการกระทำของเขาถ้าพวกเราไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อยากไปทําบา ไม่ทําแต่บุญหรือทําสิ่งที่ไม่ใช่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปเราก็จะอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่คือเรื่องของความรู้เหตุและรู้ผลเป็นของที่มาด้วยกันเราไม่สามารถที่จะไปขอผลจากใครได้เช่นเรามาวัดเราจุดธูปเทียนแล้วก็ ขออธิษฐานขอจากพระพุทธรูปขอให้รวยขอให้ได้คู่ครองที่ดีขอให้ได้ลูกที่ดีขอให้ได้งานที่ดีขอให้แ้วะก้าดปลอดภัยขอให้อยู่ไปยาวงานขอไปจนวันตายมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุเหตุอยู่ที่การกระทําของเราถ้าทําดีเดี๋ยวก็ได้เองของต่างๆเหล่านี้ ถ้าทำได้ดีมันก็จะไม่ไดนะ้ขอให้เราเข้าใจหลักนี้นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาสอนที่เหตุคือกฎแห่งกรรมนี้เองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสอนที่อัตตาหิตอั ต, ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอยากจะได้อะไรต้องสร้างขึ้นมาเองอยากจะได้สวรรค์ก็ต้องทาบุญ อยากจะไปนิพพานก็ต้องออกบวชปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลถ้าเรารู้แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายากเพราะพระพุทธเจ้าและภาษาวกท่านได้ทามาแล้วท่านเป็นตัวอย่างเป็นผู้รับรอง กฎแห่งกรรมมาแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตดีมีความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีละเว้นเหตุที่ไม่ดี mm hmm. คือทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริส mm ุทธิ์นี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลข้อที่สามก็ให้รู้ตนตนก็คือละตัวเรา มนุษย์เ่านี้มีฐานะตแตกต่างกันมีสถานภาพที่ไม่เหมือนกันและการป ฏ, ปฏิบัติของฐานะหรือสถานภาพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้หญิงเป็นชายก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงมาทําตัวเป็นผู้ชายก็จะ เป็นของแปลกก็อาจจะมีปัญหาได้เป็นผู้ชายทำตัวให้เป็นผู้หญิงก็เหมือนกันทำตัวให้แปลกก็มักจะเกิดปัญหาตามมานอกจากเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวหน้าหรือเราเป็นลูกน้องเราเป็น นักบวชหรือเป็นคารวะญาติโยมแต่ในฐานะนี้มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันถ้าทําไม่ถูกฐานะก็จะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดโทษเกิดปัญหาต่างมาดังนั้นขอให้เราให้ศึกษาให้รู้ว่าเราตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกเป็นหลาน เป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระหรือว่าเป็นคารวะยากิโยมแต่และฐานะนี้มีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามฐานะก็จะเกิดโทษขึ้นมาได้นี่คือเรื่องการรู้ตนข้อที่สี่ก็ให้รู้บุคคลก็ให้รู้คนอื่นที่เราพบปะ ว่าเขาเป็นใครเขาก็มีฐานะที่แตกต่างกันเขาเป็นหญิงเป็นชายเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องบุคคลต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติกับเขาให้เหมาะสม ถ้าเราปฏิบัติไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็จะเกิดโทษตามมาเช่นเราเป็นผู้น้อยแล้วเราไม่ให้ความเคารพกับผู้ใหญ่เช่นเป็นในสิบไม่ยอมเคารพในร้อยอย่างนี้ก็เกิดปัญหาได้เกิดโทษตามมาได้ดังนั้นนอกจากรู้ตนแล้วเราก็ต้องรู้บุคคลด้วยรู้ว่าคนอื่นนี้เขามีฐานะอย่างไร เราต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐ<ม>านะของเขาเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณ<ม>เราก็ต้องมีความเคารพนับถือมีความกตัญญูกตวเวที<ม>ผู้ที่มีพระคุณต้องเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีพระคุณเราก็ปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งคนที่ต่ำกว่าเราเราก็ปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งถ้าเรารู้จักบุคคลแล้ว เราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างอย่างสุขอย่างสบายไม่มีปัญหาข้อที่ห้าคือให้รู้จัก <c oughs> สังคมสังคมที่เราอยู่นี้ก็มีกฎมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่างกันไปสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวเราก็มีกฎมีระเบียบ สังคมที่ทำงานสังคมที่โรงเรียนสังคมที่ไหนก็ตามที่เราไปที่ไหนที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายคนนี้จําเป็นจะต้องมีกฎมีกติกามีระเบียบถ้าไม่มีกฎกติกาไม่ระเบียบไม่มีระเบียบก็จะเกิดโทษเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นเวลาเราขับรถอยู่ในท้องถนนก็มีกฎ ระเบียบกฎ ก, กติกาของการขับรถขับรถเร็วเกินไปก็ถูกจับขับรถฝ่าไฟแดงก็ถูกจับขับรถไม่คาดเข็มขัดก็ถูกจับถูกปรับนี้เราก็ต้องรู้กฎระเบียบต่างๆของสังคมถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะทําสิ่งที่เกิดโทษเกิดความเสียหายให้กับตัวเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมใดเราต้องศึกษากฎกติการะเบียบของของสังคมนั้นเราไปทำงานเราก็ต้องรู้กฎระเบียบของที่ทำงานว่าเราต้องเข้าทำงานเวลากี่โมงพักกี่โมงออกจากที่ทำงานกี่โมงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้มีข้อห้ามอะไรบ้างถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปทาผิด เราก็อาจจะถูกขับไล่ออกจากงานไปนี่คือให้รู้สังคมให้รู้กฎกติกาขนบธรรมเนียมประเพดีอันดีงามที่สวยงามที่ทำให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างเจริญรุ่งเรือง <c oughs> ข้อที่6 –ให้รู้กาละเทสะกาละเทสะก็ให้รู้ การเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ที่เราไปว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่เราควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรเช่นเวลาเรามาวัดเช่นตอนนี้มีการแสดงธรรมมีการนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเรามาสายเราเอากับข้าวกับปลาของข้าวของหวานจะมาถวายพระเราก็รีบเอามาถวายเลย อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักกาลรทีเทศเราต้องรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาถวายข้าวของไม่ใช่เป็นเวลาที่จะจั ด, จ, ดจัดข้าวจัดของเป็นเวลาที่สงบกายสงบวาจาและสงบใจต้องนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่คุยกันใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้ตั้งใจฟังธรรมที่กำลังแสดงอยู่เพราะถ้าตั้งใจฟัง กายวาจาสงบจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมอาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้เลยแต่ถ้าเราไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังมัวแต่เตรียมจัดข้าวจัดของส่งเสียงดังก็จะทำให้เกิดความเสียหายลบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังนั่งฟังธรรมกันอยู่เราก็ไม่ได้ประโยชน์ คนฟังคนอื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะเรามาเป็นตัวทำให้เกิดการเสียสมาธิขึ้นมาคนแสดงก็เสียสมาธิพูดไปก็พูดสับสนพูดไม่รู้เรื่องนี่คือการรู้จักการลเทศะเวลาเราไปที่สถานที่ใดที่กำลังมีการกระทำอะไรเราควรสังเกตดู โบราณเขาบอกว่าให้ดูตามตาเรือไม่ใช่อยากจะทําอะไรก็ทําเลยทําแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาเกิดโทษกับตนขึ้นมาก็ไปโทษคนอื่นหาว่าคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่จะโทษตนเองที่ไม่ดูตามาตาเรือไม่รู้กาละเทศะนี่คือข้อที่หก ข้อที่เจ็ดก็คือรู้ประมาณคำว่ารู้ประมาณก็คือให้รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนชีวิตของเราต้องพอดีถึงจะไม่เกิดโทษถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเช่นการรับประทานอาหารรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายก็เกิดโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มไป ทำให้ร่างกายมีน้ําหนักเกินมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้ารับประทานน้อยเกินไป<ๆ>ก็จะทําให้ร่างกายสูบผอมเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสคืออาหารเสื้อผ้าก็ต้องรู้จักประมาณว่าต้องการใช้เท่าไหร่มีความจําเป็นจะต้องใช้มากน้อยเพียงไร มีมากเกินไปก็เป็นภาระเสียเงินเสียทองต้องทำงานเหนื่อยยากเพื่อซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นจะต้องมีไว้มีน้อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะเวลาจะต้องสวมบางชุดบางชนิดเวลาไปสถานที่ต่างๆเวลาไปทำงานก็ต้องใส่ชุดทำงานเวลาไปงานแต่งงานก็ต้องไปใส่ชุดแต่งงาน เวลาไปงานศพก็ต้องใส่ชุดงานศพก็ต้องรู้ว่าเสื้อผ้าที่เราจำเป็นจะต้องมีนี้มีมากน้อยเพียงไรมากเกินไปก็สิ้นเปลืองไปเปาๆน้อยเกินไปก็เสียหายได้เช่นเดียวกับรองเท้ากระเป๋าหรือของใช้ไม้สอยต่างๆขอให้เรารู้ประมาณเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมา เสียเวลาเสียทรัพย์เสียเงินทองโดยเปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามฐานะของเราเรามีเงินมากเงินน้อยก็ซื้อที่อยู่ตามกำลังของเราอย่าไปซื้อที่อยู่ที่มันเกินฐานะของเราเพราะเราจะต้องมีภาระแบกหาม จะต้องกู้เงินมาจะต้องเสียดอกเบี้ยจะต้องคอยผ่อนส่งแทนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้ที่อยู่อาศัยนี้ขอให้เราถือหลักว่าพอหลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆได้ก็พอแล้วจะเป็นบ้านราคาร้อยล้านสิบล้านล้านเดียวแสนเดียวก็เป็นบ้านเหมือนกัน ใช้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เหมือนกันเรารู้จักฐานะของเรารู้กำลังของเรามีมากอยากจะซื้อบ้านราคาแพงก็ซื้อได้มีน้อยก็ซื้อตามกำลังของเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นหนี้เพราะการเป็นหนี้นี้เป็นความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นี้ก็ต้องถูกเขายึดข้าวของที่เราซื้อมา กลับคืนไปพอเราก็จะเดือดร้อนนี่คือเรื่องของการรู้ประมาณถ้าเราสามารถปฏิบัติความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้ได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุดปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นความรู้ที่เอาตัวรอดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพจนาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไตรยัยะดบุญกุศล